ก็มีพอสมวรดูของพระโมคคัลามีเขาจะเริ่มตั้งแต่อาชิตตาุตสะเมตเตยาพรเมตตาคูปะโทตกาเปลายไปดลาไปตามเนาะ <c oughs> เอเรียนเรื่องทุกข์ัตร์แล้วมันพอคิดได้บ่าไหม <c oughs> เนี่ย การการคิดไม่ค่อยยากแต่การเข้าถึงยาเ <c oughs> ข้าถึงยากเนะี่ยการคิดไม่ค่อยยากการเข้าถึงยากเข้าถึงความจริงของทุกยากธ ม, มา ต้องใช้คำภีค่อนข้างเยอะถ้าอยู่ยที่วัดนี่สะดวกมองเห็นเยอะเวลาเวลาศึกษาคำสอนเนี่ยมังทีต้องต้องต้องต้องเข้าใจในการที่ดูคำสอนเชื่อมโยงเนาะ คือคือบางทีเนี่ยการพูดในเรื่องของทุกขสัตว์เนี่ยพูดไปเถอะแต่ใหม่ๆก็เหมือนกับเราใช้ความจำเอาสัญญาเข้ามาใส่เข้าไวแต่แต่ทุกอย่างนั้นเป็นประโยชน์หมดนะทุกอย่างที่เราที่เราศึกษาและทำความเข้าใจเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่เป็น ทนการที่เราจะศึกษาให้เรามีความเข้าใจในในคำสอนของผู้ได้เจ้านี่ต้องต้องต้องพิจารณาเนีะ้นการวิจัยการพิจารณาต่างๆางเหล่านี้ใหม่ๆก็จะเป็นไปลักษณะอย่างเงี้ยดูทั้งความหมายดูทั้งเป็นไปตามลำดับดูทั้งสับท์เป็นต่างๆแล้วก็ค่อยว่าไปตามลำดับอะไรก็แล้ว ในความหมายในการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการไปแยกแยกไอยกรณีตอนนี้ก็ไปพูดถึงในเรื่องของชาติปีทุขขาเนยะนะที่พระองค์ทรงสแสดงจำแนกสัจจะทุกเป็นต้นนี้ก็ว่าตัดถักกัตะมังทุกขังอริยสัจังชาติปีทุกขขาเป็นต้นนะในอริยสัจสี่ทุกขะอริยสัจจะบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นชาติ อางที่ได้กล่าวนี่อัตของชาติเป็นทุกข์แล้วก็สาปชลาเป็นยังไงอัถาของชลาเป็นยังไงวรณะอัถาของวรณะโสกะอัถาของโสกะปริเทวะทุกข์ขัโธมรัสสะแล้วก็อุปาญาตอัถาของทุกข์ขาปริเทวะทุกขโธมรัสสะอุปาญาติยังไงแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของ อภิเยหิสัมปโยคะทั้งอัฏฐะของเขาได้ปิเยหิปโยคะยำปิดังระพติเป็นต้นแล้วเนี่ยนะท่านก็มาขยายทุกข์ทุกขะทุกข์แท้เป็นยังไงวิปริณามาทุกข์ทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงสังขารและทุกข์ทุกข์สังขารปฏิชนทุกข์ทุกข์ปกปิดปฏิชันนทุกข์ทุกข์เปิดเผยปริยยทุกข์ทุกข์โดยอ้อมว่าไปแล้วเนาะไม่ว่าไปตามลาดับก็ ก็ท่านข ย, ขยายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการพูดในเรื่องของในเรื่องของทุกข์ในเรื่องของทุกแล้วก็เมื่อขยายสิ่งต่างๆเหล่านี้เบีดเสร็จก็ก็ไปไล่ไปตามลําดับที่พูดถึงชาติเนี่ยเป็นทุกข์ที่พูดถึงในเรื่องของสังเสรชาโอปปาติกะชลาพุชะเป็นต้นเลยก็มาขยายขยายในเรื่องของชาติที่ทุก ทีนี้พอมาพูดถึงทุกในเรื่องของปรมัติษฐ์กถาท่านก็พูดถึงเรื่องของความตั้งขึ้นของขันทั้งหลายเนี่ยนะที่ใช้คําว่าขันทานังขันทั้งหลายเนี่ยท่านหมายเอาขันถ้าขันหนึ่งในเอเอกโกกัลภพขันสี่ในจตัวกัลภพขันห้าในปัญจโวกัลภพปาตุภาโวความปรากฏได้แก่การอุบัติเกิดขึ้นของขันหนึ่งของขันสี่ของขันห้าใช่ไหม ในสัญญาสัตวภูมิก็ชีวิ ต, ตะนวากากราบที่ตั้งขึ้นในสัญญาสัตวภูมินั้นเป็นการตั้งขึ้นของชาติทิฏฐ์ในจตัวกาฬภูมิก็คือการตั้งขึ้นของขันธ์สี่ของเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ในอรูปภูมิทั้งสี่เริ่มตั้งแต่อากาสาณจายตนะปฏิสนธิขณะสัตว์เหล่านั้นจัดว่าเป็นโอปปาติกะอุปาติกาคือการอุบัติเกิดขึ้น การตั้งขึ้นของขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในกามาภูมิรูปภูมิใช่ไหมอันนี้ก็เป็นขันห้าที่ตั้งขึ้นส่วนอายตนะงก็ทราบส่งคอร์ด้วยสามารถแห่งอายตนะที่กําลังเกิดขึ้นในภพนั้นๆไม่ใช่ขันอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมที่เกิดขึ้นอายตนะคือตาอายตนะคือหูจมกูกเลนกายแล้วอายตนะคือใจเริ่มต้นปฏิสนธิครบบ้างไม่ครบบ้างก็เป็นไปตาม กรรมแต่และบุคค ล, ลนะแต่ก็คือนั่นแหละคือการตั้งขึ้นนะเนี่ยเาเรียกว่าชาติปฏิลาโภความได้เฉพาะปรากฏในสันตตินั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิลาโภนะเป็นการได้เฉพาะสิ่งเหล่านั้นอยังวุตติชาติก็คือชาติที่เรากล่าวว่าการอุบัติเกิดขึ้นเนะ่ยเป็นชาติเป็นต้นทีนี้การบังเกิดขึ้นนะครั้งแรกในภพ น, น, นั้นเป็นลักษณะ มาจากคาว่าตัตทตัตท ะ, ะเวปธรมาพิเนเวพบนิพพติลักคนามีการบังเกิดขึ้นในภพนั้นๆเป็นลักษณะอันนี้คือลักษณะการเกิดขึ้นของปรมัตถขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการอุบัติเกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นน่ยนะของกามราพรูปภพและอรูปภพทั้งหลายเหล่าเนี้ยของขันธาตุของอายตนะนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตั้งลงแห่งวัตทุเนะื้อ ที่เาบอกว่าการเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายเยอะทีนี้การเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายเนี่ยท่านไม่เอาพบเป็นตัวขั้นเลยเพราะถือว่าขันธาตุอายตนะได้จะหมุนตลอดใช่ไหมแต่พอมาพูดเรื่องพบเป็นตัวขั้นเลยเรียกว่าการเกิดพบใหม่การเกิดในพบใหม่ที่จริงอะในปัจจุบันนี้ก็มีการเกิดการตาย แต่นี่ไม่เรียกว่าการพบใหม่ที่ตั้งขึ้น น, นี่เราก็นางวิเคราะห์ลักษณะนี้เรียกเคราะห์ปรมัตถขันวิเคราะห์ของเขาได้ทงความเข้าใจแต่โดยสรุปก็คือเป็นชื่อของขันา ธ, ธนาตุอายตนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายแต่พอมีพบมาเป็นตัวระหว่างขั้นขึ้นมาก็เรียกว่าการตายแล้วก็การเกิดก็เลยเรียกว่าการเกิดการแตกดับในครั้งสุดท้ายในพบหนึ่งหนึ่งท่านก็เรียกว่ามรณนะ คือการขาดลงของรูปประชีวิตและนามปชีวิตเรียกว่าสัตว์นั้นตายแท้ที่จริงก็คือการสืบต่อนั่นเองทีนี้พอการมีการอุบัติเกิดขึ้นของขันธะแตยตนะครั้งแรกในพบหนึ่งก็เรียกว่าชาติคือการเกิดใช่ไหมคือการเกิดชาติปีตุกขานี่ทุกตั้งขึ้นมาแล้วแท้ที่จริงทุกเนี่ยมันตั้งทุกทุกขนาดแหละแต่พอวัดระหว่างพบต่อพบเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอ๋อจากพบนี้มาเริ่มแรกตั้งแต่ตอนไหน เริ่มแรกตั้งแต่ตอนไหนแต่ในที่สุดจริงๆตัวสังสารวัตเนี่มันไม่ขาดสักทีเนี่ยที่มันท่องเที่ยวไปมาอยู่เพราะใช้คำว่าท่องเที่ยวดูมันน่าเพลิดเพลินอะไรมันน่าเพลินไปใช่ไหมพอพูดคำว่าท่องเที่ยวเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมันมีความเจ็บปวดมันมีความทรมานอยู่ด้วยเนี่ยแหละส่วนอติตาอตีตะภวโตอีธ อมมัชนะปัจจุปฐานาก็มีการโผล่ขึ้นในภพนี้จากภพอดีตเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะเป็นปัจจุบฐานเนี่ย<น>คําว่าการมีการโผล่ขึ้นในภพนี้จากภพอดีตเนี่ยมันแปลว่าอดีตมันต้องดับไปแล้วมันต้องไม่มีแล้วใช่ไหมขันธ์ธาตุยตนะที่เป็นไปในอดีตแต่ภพมันต้องดับมันต้องไม่มีแต่มันก็เป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัย อนันตรูปนิสสยปัจัยนัตถิปัจจัยอาวิคตาปัจจัยเพราะตัวปฏิสนธิในปัจจุบันพราก็เป็นอนันตระปัจจยุบันสมนันตระปัจจยุบันใช่ไหมอนันตรูปนิสสยปัจจยุบันนัตถิปัจจยุบันแล้วก็อวิคตาอวิคตาปัจจยุบันมันเป็นตัวผลทว่าโดยการโดยอนันตรปัจจัยเนี่ยจุติเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัย โดยความเป็นอนันตระปัจจัยเป็นต้นปฏิสนธิที่ในปัจจุบันพบนั้นเป็นปัจจิยุบันเป็นอนันตระปัจจิยุบันเป็นต้นไปจนถึงอวิคตะปัจจิยุบันเป็นที่สุดอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้เห็นว่าโอ้การเกิดเป็นปัจจัยปัจจุบันกันเนี่ยแท้ที่จริงแหละระหว่างปัจจุบันมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกๆไอจิตที่มันเป็นไปเนี่ยหปัจจัยเป็นปัจจัยหลักแต่มันจะขึ้นเป็นอาเซวนะก็อยู่ในช่วงโชนะใช่ไหม เป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็ได้เข้าใจถ้าหากว่าตราบใดนั้นะมันลงจากชาวนวาเมื่อไหร่มันก็เหลือห้าอย่างเงี้ยเนะก็เลยเข้าใจแล้ว่าขึ้นชาวนวาเมื่อไหร่ในสังสารวัตรก็กลายเป็นหปัจจัยบ้างบางทีก็เป็นเกี่ยวกันในเรื่องของไอ้กรณีของปัจจัยอื่นก็จะไม่ได้เกี่ยวกันเกิดขึ้นติดต่อทค้นี้ก็เริ่มเข้าใจเลยเห็นว่ากรณีการศึกษาปัจจัยมันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องของสังสารวัตอย่างเงี้ย จะเพียงว่าช่วงไหนมันจะขึ้นปัจจัยสูงสุดช่วงไหนมันจะลงปัจจัยต่ำใช่ไหมไอ้ น, นี่นะแล้วแต่ในระดับแต่ละชาติแต่ละชาติก็ดูไปและในขนาดเดียวกันมันจะไปเกี่ยวข้องเฉพาะอ น, นันตระชาติาเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของอารามณ์ชาติด้วยฉะนั้นในด้านของอารามณ์ชาติเนี่ยแล้วก็จะสังเกตว่าไม่มีขนาดจิตไหนเลยที่ไม่อาศัยอารามณ์ชาปัจจัยนี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วไหม น ok อกจากอาศาัยการเกื้อหนุนด้วยความเป็นอนันตราะแล้วเนี่ยอนันตระชาติแล้วการเกื้อหนุนด้วยความเป็นอา ร, รมณชาติก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยถ้างั้นจิตมันก็ขาดสังสารวัตรมันก็เดินต่อไม่ได้ไอตัวสังสารวัตเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องอนันตระชาติก็ทําให้สังสารวัตรนันยาวไกลอารมณชาติก็เป็นเป็นทําให้อนันทำให้สังสารวัตรน้ยาวไกลสาชาตชาติก็เป็นปัจจัยทําให้ ไอ้วัดในเรื่องของสังสารวัฏในยาวไกลใช่ไหมมันเกี่ยวเนื่องแบบนี้ถ้ามันเป็นไปในลักษณะของการที่มันผิดทางนะนันถ้าเป็นมัชิมาปฏิเป็นมิชฌาปฏิปทานะี่มันก็จะผิดทางอย่างยาวไกลเลยแต่ถ้ามันเป็นสัมมาปฏิปทาแต่เป็นสัมมาปฏิปทาที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ถึงจะไกลก็ไกลแบบมีเป้าหมายกนะัจจัยที่มันดำเนินไปเนะี่ยแต่ถ้าเรามองตรงกันข้ามนะ ในส่วนของปัจจัยดีและปัจจัยไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันถ้าปัจจัยไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันจะเกื้อหนุนในการที่จะทําสังสารวัฏให้ยาวแล้วก็ไล่ทิศทางแต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มปัจจัยดีๆทั้งหลายใช่ไหมเริ่มตั้งแต่สาชาตชาติที่ดีอารมณชาติที่ดีอนันตรชาติที่ดีวัตถุปุเรชาตชาติปชาชาตชาติเนี่ยนะเป็นต้นน่ยนะปกะตูปณิสยชาตานานัคนิการกรรมชาติอาหารชาติเป็นต้นอะ่านี่ ถ้าชาติต่างๆเหล่านั้นถ้าจะเกื้อนหนุนต่อการที่จะทําให้สัาวเริยาสติสมาธิปัญญาจะทําให้สติปัฏฐานสมปภะฐานอิทธิบาทอินทรียพระพุทธชงอริยามรรคนี่นะประชุมในกระแสของขันธะอจตนะได้ค่อนข้างอย่างเข้มข้นมาแล้วก็พ้นทุกข์ได้ใช่ไมันก็พ้นทุกข์ ไ, กกได้นี่เขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจคําว่าชาติชาติจริงๆเนี่ยจริงๆได้หลักการหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัวสังสารวัฏที่ไอตัวชาติบิดทุกขาเนี่ย การอย่างลงพบหนึ่งของปรมัตถขันเข้าใจไหมของขันเนี่ยที่ท่านใช้คําว่ามีการบังเกิดขึ้นในพบเป็นครั้งแรกนะ่ะนั้นนั้นเป็นลักษณะการการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพบนั้นๆเป็นลักษณะอันนี้การเกิดขึ้นของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเนี่ยเป็นครั้งแรกในพบนั้นๆั้นเข้าในการมาพบในรูปมาพบ ในอรูปภพอะคว่าพบนั้นๆก็ว่าไปเนี่ยอันนั้นเป็นลักษณะอันนี้คือลักษณะของชาติชาติทุกข์แล้วก็มีการมอบให้เป็นกิจอันนี้หมายถึงกิจจริตรงนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องขอ ง, ของกิจกิจจรินี่นะถามถ้ามอบเนี่ยมอบหลายอย่างมอบขันห้าให้บางเป็นต้นก็ว่าไปประการต่อมาคือมีการโผล่ขึ้นในภพนี้จากภพอดีตเป็นอาการปรากฏ พูดเหมือนกันว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเลยเนะี่ยจริงๆแล้วโดวยหลักการจริงๆเนี่ยถามว่าถ้าเปลี่ยนภพเนี่ยรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สืบต่อเนี่ยมันคนละกรรมไงคําว่าโผล่ขึ้นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นไอ้กรรมเหล่านั้นพอมันหมดแรงหมดกําลังลงเนี่ยตายเพราะสิ้นอายุบ้างตายเพราะสิ้นกรรมบ้างตายทั้งสิ้นอายุและสิ้นกรรมเป็นต้นก็ว่าไปตายเพราะอุปะเะกะ ปรนน่าคือการที่กรรมมาตัดรอนอะไรก็แล้วแต่สรุปคือตายอะ่ะแปลว่าการขาดลงของรูปไปชีวิตและนามไชีวิตใช่ไหมถ้าขาดลงปุบเข้าไปเนี่ยว่าพบนะี่ยมันหยุดเดินแปลว่ากรรมนั้นอะ่ะที่มันให้ผลมานะั้นหมดกําลังไปแล้วมันหมดกําลังด้วยหลายสาเหตุดังที่ได้กล่าวสิ้นอายุสิ้นกรรมและสิ้นทั้งกรรมและอายุแล้วก็เพราะอุปเชตกากรรมการตัดรอนของขอ ง, ของรูปนามด้วยด้ว ย, วยอุปสนิบากด้วยออุศสนิบากก็ว่าไป โดยเดูอุปสรกรรมมาอุปสรกรรมก็ว่าไปทีนี้พอพอขึ้นมาพบใหม่เนี่ยพบใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเบ็เสร็จปุ๊บเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก็มาจะา ก, กรรมใหม่และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ตั้งขึ้นนะครั้งแรกที่อุปาทขณาของปฏิสนธิจิตเป็นต้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมใหม่และแล้วก็เป็นการเริ่มนับพบใหม่ถึงแม้จะเกิดที่เดิมเหมือนเดิม ก็เรียกว่าพบใหม่กรรมใหม่พบใหม่เหมือนท้าวสกา่าเนี่ยฟังธรรมจากพระผู้มีพระจเจ้าใช่ตอนฟังเป็นพระปุถุชนต่อมาพอฟังสักการัญหสูตรต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและอายุหมดเนี่ยแล้วก็จุติในขนาดนั้นเลยปฏิสนธิต่อเป็นท้าวสกา่าตามเดิมอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่พบต้องนั่งต้องนับใหม่อายุต้องนับใหม่ อายุของท้าวสกต้องเริ่มนับใหม่อันนั้นก็เป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกในพบ น, น, นั้นเป็นลักษณะรูปประคันเวทนาสัญญาสังขายนิญาณของทา้าวเถออันนั้นก็มาจากกรรมใหม่แล้วมาจากกรรมใหม่แล้วมีการมอบให้เป็ น, ฐฐน ก, รรกิจจริญก็มีการโผล่ขึ้นในพบนี้จากพบอดีตเป็นอาการปรากฏแต่คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็คนละประเด็นแล้วในครั้งนั้นมีรู้อยู่สองท่านท้าวสกาด ร, รู้กับพระพุทธเจ้ารู้เดียวนะ คนอื่นไม่รู้เนี่ยแต่อย่างเราก็ไม่ตอนนี้ไม่ใช่รู้แค่สองท่านแล้วะพอพุทธเจ้าเทศเนี่ยโอ้ยคนรู้หมดเลยเลยนะคนรู้เยอะเลยเทวดาที่มาวันนั้นคงจะแมเราวันนั้นไม่รู้ดีนะที่พุทธเจ้าเทศไยเทศจิตที่หนึ่งอะนะจึงรู้อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ พละวเส น, นะเนะทุกขาวิจิตตาตาปัจจุปถานาวาหรือมีความวิจิตแห่งความเป็นความด้วยความเป็นไปของทุกข์ด้วยด้วยสามารถถึงผลเป็นเป็นปัจจุปถานคือไอ้คาว่าวิจิตเนี่ยไอ้ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันวิจิตเพราะกรรมวิจิตกรรมวิจิตเพราะตัณหาวิจิตเห็นไหมไอ้ตัวที่ ตัณหาเนี่ยเขามีกรรมเป็นสหายตัณหาที่มีกรรมเป็นสหายแล้วเนี่ยมันก็สร้างความวิจิตแห่งกรรมแล้วก็ทําให้ผลของกรรมในวิจิตทําให้ผลของกรรมในวิจิตเราก็จะเห็นว่าไอ้ความวิจิตของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณเนี่ยของรูปขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากบฏสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นในวิจิตนะรูปขันธ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ไปวิจัยในทะเลในเร่องต่างๆเยอะแยะมด ก็จะเห็นความวิจิตของพวกอบายสัตว์ทั้งหลายเนี่นะถ้าสัตว์นรกก็ดีพวกเปรตเป็นต้นก็สุรกายเป็นต้นก็ยิ่งวิจิตอะไรเยอะแยะหมดเสร็จนะความน่าเกียดน่ากลัวความสยดสยองก็เยอะแล้วส่วนอุ ป, ปจิตต า, า, านามารูปะปัฏฐานาก็มีนามรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นปทัฏฐานทีนี้ในปากกณ์ในคมภี์วิสุทธิมรักท่านท่านกัมชชาตในทีนี้ไว้ว่าว่า ท่านแปลความว่าชาติสัพท์เนี่ยในที่การนี้พึงทราบว่ามาในขันทั้งหลายที่เป็นไปแล้วตั้งแต่ปฏิสนธินธนธนธตราบจนถึงการออกจากขันของแม่หรือขันของมารดานั่นแหละนั่นเรียกว่าชาติอยู่ในขอบข่ายของชาติคือการเกิดของพวกค้าพเศยยะมาในปฏิสนธินธนธขันทั้งหลายเท่านั้นของพวกสันสัตว์นอกเนี่ยนะเป็นปริยายะ คำว่าเป็นปริยาญาตในที่นั้นก็หมายความบอกว่าถ้าคับเสยยกะเกิดในคันเนี่ยเอาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอะไรเงี้ยนะมาลากยาวมาเลยเนี่ยอยู่ในขอบข่ายของกรมวั ช, ชาแต่ถ้าพวกอย่างอื่นอย่างอื่นเอาด้่ยแหละอุปาทขศน์นของปฏิสนธินะั่นแหละเขาเอาตัวปฏิสนธิ้พวกสัง อ, อ, อันทชะจำไหมอันทชะ ขับเสศหญ้าเอ่อมาขอไปอันทชากําเนิดเกิดในไข่ใช่ไหมแล้วก็เกิดในเท่าใครนี่พระบารีกว่าไงสังเสทชาเห็นไหมแล้วผุดขึ้นนี่ว่าไงอ เ, เออนั่นแหละลักษณะอย่างนี้เอาปฏิสนธิคะแนนถามยังจําได้ตอน เ, อ <laughs> <laughs> เกิดระดลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าเป็น เป็นเป็นนิปริยาญาของขานทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะผู้บังเกิดในภพนั้นนั้นความปรากฏเกิดครั้งแรกเป็นต้นเนี่ยตอนนี้ท่านก็ขยายชาตินี้เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกชนิดไหนชาตินั้นเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกแม่ทั้งหมดคือทุกที่เป็นไปโดยในอบายอันใดที่ท่านประกาศก็ไว้ด้วยอุปมาเนะตรงนี้ก็ท่านก็ว่าไปตามลําดับแล้วก็ว่าในเรื่ององการลงสู่คันครั้งแรกก็อธิบายไปแล้วการลงสู่คัน ว่าในทุกในเรื่องการบริหารคันก็อธิบายไปแล้ในธรรมจักรถ า, าก็ไม่ต่างกันตรงนี้นะทุกมีความวิบัติของคันเป็นมูลตรงนี้ท่านก็พูดถึงมารดาของสัตว์นั้นมีคันหลงขัดมดลูกทุกใดก็ตั้งขึ้นโดยการมีการตัดมีการผ่าเป็นต้นเป็นที่เกิดแห่งกองทุกเนะี่ยอันไม่สมควรเนะี่ย แม้แต่มิตรอมาดและเพื่อนเป็นต้นจะดูนะก็เห็นแล้วก็โอ้ยทนดูแค่ไม่ไหวโดนตัดโดนต่อโดนอะไรต่างๆเยอะแยะเป็เสร็จเนาะพอการเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ <ๆ S 1> แล้วก็โทุกมีการคลอดเป็นมูลเหตยุยังไงก็ได้พูดถึงในเรื่องความน่ากลัวในเรื่องของดดช้างที่ถูกผักออกจากช่องช่องดานเล็กๆนั่นเลยเหมือนนกษัตริย์ในโลกที่ถูกพวกเขากระทบให้ละเอียดแหลกเป็นจุนวิจุนนั่นเลยนะ ทุกมีการออกนอกคันในนี้ตรงนี้เมื่อออกมาอย่างนอกครันแล้วเนี่ยศรีระที่ยังอ่อนแอเหมือนกับเหมือนกับแผลใหม่ๆนั่นแหละมันคนมีแผลใหม่ๆนั่นแหละถูกคนเอามือจับให้อาบน้ําไม่ชําระล้างให้เช็ดโดยท่อนผ้าเป็นต้นเหล่านี่้นะก็เหมือนกับปลายเข็มแทงเหมือนกับถูกมีดโกนผ่าแร่เนื้อว่างั้นอย่างนั้นเลยความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นความทรมานทั้งหลายก็เกิดขึ้นกับสัตว์ใช่ไหม ที่กําลังออกจากคันเป็นต้นอันนี้ก็มอมาไล่ไปตามลําดับแต่ถามบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยฟังปุ๊บเข้าใจอะ่ะใช่ไหมแต่ไม่เห็นนี่เนี่ยตรงเนี้ยความคิด่มันน่าเกลียดน่ากลัวอยจริงๆ น, น, นะแปลกจริงเป็นอย่างนั้นมไหมคิดเอเข้าใจแล้วก็หวังแต่ไม่เห็นมองไม่เห็น แล้วก็ความทุกข์อย่างนี้ไม่ค่อยให้วิจัยกันเลยเออผมก็สอนสอนแบบเนี้ยอริยศาสตร์ทุกในอริยศาสตรแล้วถ้าเกิจะมาสอนชรลาทุกข์เป็นยังไงจะมาพยาธิ ท, ทุกข์เป็นยังไงวรณะทุกข์เป็นยังไงโสกอาทุกข์ปกเป็นยังไงปริเทวะทุกข์เป็นยังไงอ่ะก็ไล่ไปตามลําดับอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นประหารแท้โมหัเนี่ยเออมองไม่เห็นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่รู้สึกสะดุง้งสะเทือนใดๆเลยนะ เห็นเด็กร้องไห้อ ย, ยังโอยดีใจที่แล้วชอบแกล้งให้เด็กร้องไห้โด้วยอะไรพนี้ชอบให้เข า, ช อ, เขาชอบให้เขามีปริเวตปริเทวนะนาการตรงนี้ก็คือเกีย่ยวในเรื่องของความทุกข์นะความทุกข์ที่ความพยายามเป็นมูลก็คือว่าด้วยความเพียรพยายามโดยการทําตนให้ร่าร้อนนะและการเผากิเลสโดยรอบด้วยสา ม, มารถแห่งวัดบางทีเนี่ย ได้ข้อที่เราท่านทั้งหลายเวลาโตขึ้นมาแล้วก็ไปกระทําในสิ่งที่มันไม่ควรทำํำเช่นคนที่ประพฤติวัดต่างๆที่ผิดพลาด ท, ทั้งหลายเราไม่ถ้ามานั่งบอกว่าดรรั ด, ดาเนี่ยเคยประพฤติวัดที่น่าเกลียดมาแล้วเนี่ยเยอะไหมเคยไปเอาฝุ่นทาตัวไม่มีเสื้อผ้าเป็นพวกนักบวชจีเปือยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยที่เนี่ย ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ไกลเลยอะ่ะใช่ใชัม้มทั้งๆ ท, ที่เป็นมาแท้ๆเนี่ยมันลืมไงแล้วก็ยังไม่พ้นก็อีกเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยโอ้ยยอมไม่เคยเป็นน้้งหน้าอับอายยมอยู่ไปทำตัวงั้นได้ไงไใช่ไหมก็ขนาดเรื่องใกล้ๆยังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมเรื่องใกล้ๆยังคิดไม่เห็นทุกเลยพอพูดไกลตัวไปยิ่งจบเลยอะ่ะ ทั้งๆ ท, ที่เป็นมาจริงๆในคําสอนเนี่ยท่านระบุไว้ชัดเราเนี่ยเคยประพฤติเป็นพวกอาเจรกาวัดก็มีไอ้พวกนุ่งลมห่มฟ้าบ้างพวกทรมานร่างกายตนเองบ้างพวกกินอุจจาระก็เคยถือว่าด้วยการกินอุจจาระเนี่ยเราเคยทําข้อปฏิบัติแบบนี้มาเยอะแยะหมดเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยถ้าไม่ทําบบนี้พ้นทุกข์แล้วที่พูดมาตลอดไงก็เพราะไปทําผิดทําพลาดมานี่แหละมันถึงเป็นแบบเนี้ย แต่พอพูดอย่างนี้มองคนเนฮมันจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมมันน่าเกลียดเนี่ยฮะที่จริง ก็ก็คือก็อย่างที่บอกไงของเราไม่ต้องเอาไกลเราก็อยู่ในท้องทรมานเนี่ยลืมหมดแล้วแค่นี้ลืมแล้วและที่น่าเกลียดอีกอย่างหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยโมหามันแรงในโะมน่าเกลียดคือโมหานี่นะบางทีบางทีตอนเด็กๆเนี่ยถูกทรมานเลยถูกทรมานเลยถูกทรมานถูกทุบ ถ, ถูกตีแรงๆเลยไม่เห็นทุกข์หรอกลืมหมดลืมหมด บางทีเคยไปทะเลาะ ก, กับใครหน้าดําดาแดงก็เคยแต่ก็ลืมหมดแล้วแล้วถูกดายว่าอย่างเสียเสียหายก็เคย<ม>ก็นี่ไหมโอ้โหขนาดนี้นะใช่ไหมเอาแค่วันปัจจุบันเราพบเนี่ยเอาเรื่องเรื่องอะไรต่างๆเนะี่ยมันลืมไปเสร็จหมดแล้วแล้วไม่เห็นมันเป็นทุกข์อะไรเลยนะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์นะากขบางทีเนี่ยนะบางทีเราไปเห็นเด็กที่เขาถูกทําร้าย ถูกอย่างไปที่อินเดียไปที่ที่ต่างๆเขาโดนตบบ้างกลิ้งบ้างโดนตีบ้างโดนเตะโดนอะไรต่างๆเราเนี่ยนะแล้วก็ไปนั่งดูว่าน้าสงสารเนาะอ่างงแก่นั่นแหละเราไม่เคยจำนึกเลยว่าเราเนีเคยเป็นแล้วเราก็ยังไม่พ้นเนี่ยก็ ค, คิดไม่ออกอีกใช่ไหมเอาบางทีเราไปเจอคนอื่นเขาประสบทุกเนี่ยที่ไปเจอเด็กทรมานที่เรามาดูกันคนคนๆอะไรเงี้ยนะ แล้วก็นึกโอ้โหน่าสงสารกันนะเนี่ยแค่นี้นแหละมันคิดไม่ออกนะมันคิดไม่ออกเนะี่ยแล้วอีกเยอะหมดผู้หญิงบางคนเนี่ยไปถูกกักบริเวณใช่ไหมโดนหลอกไปเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องไปถูกค่าอะไรต่างๆเยอะแยะไปเสร็จเนี่ยแล้วทรมานบางคนอยู่เป็นสิบปีกว่าจะออกมาได้เพราะออกมาได้เสร็จไม่กี่ปีตนเองก็ลืมเออประหลาดแท้ แล้วมีการสอนจะไปคิดถึงมันไม่คิดถึงก็ดีไปใช่ไหมแต่บอกว่าที่จริงอะยหลักการก็คือถ้ามาเรียนเรื่องทุกเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหกรรมในวิจิตแท้ที่มันตัณหาที่บวกกรรมในวิจิตให้ความวิจิตมากโดนกระทำอะไรต่างๆนานาอะไรต่างๆนี่แต่โมะหะก็ปิดก็ไม่เห็นทุกข์ของเพราะถ้าไม่มีการเกิดเราจะได้ประสบตรงนี้อะไรก็ไม่คิด ใช่ไหมไอ้ตรงเนี oh ้ยก็เลยก็เลยไม่เนี่คนเราเรามองเข้าไปในสถานที่ต่างๆอเแค่ในบ้านเราคนก็อดโซ่ทรมานออยู่กับพื้นขาก็ขาดกระเสือกฟืดๆๆมึงที่บินบาดจริงๆเลยเลาเขาเดินไอ้เขาเขาเาเาวิ่งไอ้เขาคล้ายๆว่าอ้ไมาก็เดินไปเงี้ยนะเขาก็กระเสือกกระสนนำหน้าขาเขาก็ขาด เขาเหลืออีกครึ่งท่อดเนี๊ยเปิ้อๆอยู่แถวๆแถวล่างเขาเหม็นนี่อยู่คนใช่ไหมนั่นแหละก็วิ่งขอขอทานเงนันมองนี่เราก็โอ้เราก็ให้ไม่ได้แล้วก็มองเออเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยว่ามันเราเคยเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เราย่าเรายังไม่พน้นใช่ั้มทั้งๆ ท, ท, ที่มันมันเห็นกับตาเลยเนี่ยแต่เราบอกไม่ใช่ตัวเราแล้้อนก็จบไปอีกแต่เนี้ย้ปัญญานี่แท้ ไม่ยอมทากิจเลยเพราะมันไม่ได้อาหารเพราะมันไม่ได้ปัจจัยใช่ไหมมันต้องใข่คนเป็นปริมาณอย่างมากเลยซ้ำไปมันถึงจะเกิดเสียดสยองของชาติทุกข์มันต้องมีความปริมาณในการที่จะคิดลองไปดูคนเขาเจ็บปวดทรมานบางทีเราก็แค่เกิดโทสะไม่อยากจะมองแค่นั้นเองใช่ไหม ตรงนี้มันเป็นข้อมูลในการที่เราจะมาไตรตรองค่าควรพิจารณาค่าควรพิจารณาตรงนี้ทําไมท่านสอนทุกโดยโดยมากมายท่านบอกอย่างนี้นะก่าวทุกคถาเนะี่ยกาวอริยศัสตร์โดยข้อแรกทุกขศาสตร์จากคาถาเนี่ยนะท่านบอกกล่าวจนกลับนี้สิ้นไปก็ไม่หมดเอาลองเอาชีวประวัติ เอาชีว่าประวัติของท่านแคทมาเล่าอย่างเดียวเนี่ยเล่าเรื่องความทุกข์นี่นะไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องตัวปัญหาเลยความทุกข์อย่างเดียวเนี่ยนะไม่จบไม่สิ้นภพนี้จบก็เอาไปเล่าที่ภพที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใช้พระเจ้ามาเล่าประวัติของท่านแคทอย่างเดียวเนี่ยไม่จบไม่สิ้นบางภพเกิดเป็นนอนบางภพเกิดเป็นไส้เดือนเป็นกึ่งคือเนีเ่ยเป็นกิ้งคือเนี่ยเป็นสัตว์ ลายก็มีเป็นสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นเปรตบางเป็นอสุรากายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาบางพบในมีโอกาดเป็นพรมบางพบทรงคําสอนของพระรยเจ้ามาหลายพบเลอะเรือนเบียดเสจก็มาทําผิดทําพลาดอะไรต่างๆเลยเนี่ยและความคิดเดิมๆก็ยังมีอิทธิพลอยู่แล้วก็ไม่ยอมละยังมีโมหะปกปิดเนี่ยต้องให้เล่าเฉพาะกระแสขาวของเราอย่างเดียวนี่นะไม่จบกลับนี้หมดก่อนแต่ประวัติทุงท่านยังไม่หมดเลย นี่คือความยืดยาวของสังสารวะัฏนี่คือความยืดยาวกว่าทุกขศัิย์อย่างเงี้ยถ้าเล่าแล้วก็เสนาสะดุ้งสะถือนกว่ากลัวทั้งนั้นเนี่ยใช่ไม่ใช่ลองที่ดูที่พระพุทธเจ้าคืออย่างนี้วิธีศึกษาอยากเห็นทุกขศัิย์เนี่ยเวลาท่านเล่าประวัติของใครที่โหดร้ายที่สุดนั่นคือประวัติของเราแค่นั้นแหละจะเห็นเลยเขาบอกโหปนางปตาเจราหน้ากรุณามากมันใช่ไหมเนี่ย พระเทวทัตหน้ากรุณามากอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่นั่นแหะคือประวัติมันตัวเองเลยนะนะประวัติของตัวเองเลยนะเพียงว่าเรายังไม่ถล่มลึกที่จะเป็นนิยธรรมวิชาทิฏฐิอ่ะแต่นอกนั้นน่ะคือประวัติของเราเลยให้ให้นึกว่าอ่านประวัติของเรามันจะเห็นแล้วมันจะคิดได้ไหมแบบเนี้ยแต่คิดได้ไปอ่านบรรดาชาดกทั้งหลายวิจิตวิกรรมทั้งหลายเนี่ยนี่นะนั่นแหล ะ, หละโอ้โหเนี่ยเราเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย ถ้าอ่านอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเห็นมันจะชัดขึ้นถ้าบอกโอ้ประวัติของคนนี้ประวัติของคนนี้นนแท้ที่จริงอะถามว่าศาตว์บุกคก็เป็นลึกชื่อของเป็นประวัติความเป็นมาของขันธาตุระยะตนะใช่ไหมงั้นมันจะต่างกันไหมมันต่างตรงความวิจิตของกรรมความวิจิตของกรรมตรงนี้ก็เลยถ้ามองในลักษณะยี้เสี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจการประชุมการตั้งขึ้นของขันเป็นต้นเราเนี่ยนะ ทีนี้ในเรื่องต่างๆตรงนี้ท่านก็เลยมาสรุปไงสรุปบอกว่าหากสัตว์ไม่พึงเกิดในนรกแล้วไซเขาก็ไม่พึงได้รับทุกขมีการถูกเผาไหม้ด้วยไฟในนรกนั้นๆเป็นต้นที่คลยๆอดกลั้นไม่ได้ทุกไม่พึงตั้งในหน้าที่ไหนๆเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงความเกิดในนรกว่าเป็นชาติทุกนี่ไนะก็เล่าเรื่องนรกไล่ไปตามลําดับเลย แต่บาลีมีนะามาเอามาแค่ภาษาไทยทุกในพวกสัาาตว์เดรัจฉานไม่ใช่น้อยมีการถูกกระหน่ำด้แส้ถูกแทงด้วยประตักทุกตีด้วยท่อนไม้เป็นต้นทุกอ น, นั้นเว้นเสียทังชาติในพวกสัาาตว์เดรัจฉานแล้วจะพึงมีได้อย่างไรถ้าไม่มีชาตินะ่ยเพราะชาติคือความพอการเกิดนี่แหละถ้าไม่สัตว์เหล่านั้นต้องได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆดัท ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่ได้พรรณนาใช่ไหมความทุกข์ทั้งหลายที่สัาาตว์เดรัจฉานได้รับ เรื่องวันๆหนึ่งเนี่ยเราได้สัมผัสเนื้อเขาทุกวันเนี่ยนั่นแหละคือความทุกข์เขาไม่ได้ยิ้มย้มแจ่มใสอะไรนะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมาเป็นอาหารเราเนี่ยโอ้ยิ้มย้มแจ่มใสจะได้เป็นอาหารของโยมนี่เขาไม่ได้ยิ้มย้มว่ามีคนคนหนึ่งนะเขาเลี้ยงบวชมาแล้วนะแล้วต่อมาเนี่ยศึกพอศึกไปเบ็ดเสร็จแล้วไปเลี้ยงงูแล้ามีชีเก่าก็เลี้ยงัวต่อมาบวชตั้งนาน ศึกษาพิธรมเนี่ยนะแล้วชำนาญปัจจัยด้วยเนี่ยอุดแล้วนะสะดุ้งเรียนปัจจัยเรียนปฐฐานผู้นยมที่หนึ่งให้ไพ่ฟังเนี่ยจบบัณฑิตแล้วแล้วต่อมาก็สอนสอนอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่รู้จักอะไรมาแล้วต่อมาก็ศึกแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็มีอาชีพเลี้ยงวัวกลไปที่แรกก็ไปทํางานงานอย่าง อ, างอื่นะละอายชั่วกลัวบาปโอ้ไม่กล้าทําบาปว่านั้นเน่ย ไปขายประกันน่าเข้าน่าเข้าเอ้ยไม่ไหวแล้วมัน ก, ก็ไม่ค่อยจานานะไปทําอย่างอื่นอีกทําไปทํามาเอาน่าเข้าน้าเข้าเอาใจมันก็หยาบขึ้นใช่มหมนั่นแค่เถียงไหมว่าใจมันจะหยาบลงมันก็กลับไปหยาบหยาบหยาบหยาบลอยร่องเดิมมันมีอยู่เพราะเฮียอาชีพเก่ามันรวยมันพอมีตังก็มีเงินก็ไปลงทุนไปซื้อวัวมาไปร้ยร้อยตัวเลยเลี้ยงวัวตัว เลี้ยงใหม่ๆก็ไม่กล้าทุบ ก, กล้าตีหรอกไอ้ที่ความที่มีสมณสัญญายัางรุยเหลืออยู่บ้างที่หนักเข้าหนักเข้าเสียงก็เริ่มต้องโดขึ้นใช่ไหมคนเลี้ยงวัวตอนนี้ก็เลี้ยงวัวส่งลงฆ่าเลยงน <c oughs> ทุกวันก็ไม่ละอาชีพเลย <c oughs> ที่นี้มีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> มีคนมาล่อลวงฟังแล้วก็น่าสะดุ้ง <c oughs> มีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> ตอนโวยท่าไหนวัววิ่งเข้าป่า พวามันวิ่งเข้าป่าไปเสร็จมันไม่ยอมออกมามเป็นพงหนามด้วยคือจะต้องเอาแบไปไ ป, ไปต้อนเข้าสู่ที่บนรถเขาจะได้เอาไปเข้าสู่โรงฆ่ามันก็ไม่ไปเนี่ยพอไม่ไปเส็ดเสร็จก็แกก็ตะโกนแบบทั้งโกรธเลยเราบอกมึงจะออกมาหรือไม่ออกว่า ง, งั้นนะถ้าไม่ออกวันนี้นะถ้าไม่ออกนะไปพูดมันจะรู้เรื่องไว้เนี่ยถ้าไม่ออกมาเนี่ยจะให้ส่งโรงข่าวันเนี้ย เพราะงั้นแต่ถ้าออกมาดีๆจะเอาเข้าโบสถ์แปลว่าอะไรชี้จะฆ่านั่นแหละแต่จะเอาเงินนั่นไปสร้างโบสถ์นี่ไงอภิธรรมบัณฑิตนี่อภิธรรมบัณฑิตรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องวิถีรู้เรื่องปัจจัยปัจจยุบันนี่นมันอะไรเกิดขึ้นน่ะ เห็นไหมว่าความเป็นปุรุชนนี่เราก็ไม่พ้นเพราะเราก็รู้เรื่องปัจจัยกันในี่ที่นั่งๆกันอยู่นี่ไม่ใช่ไม่รู้รู้ปัจจัยที่ทําให้บุญเกิดด้วยปัจจัยที่ทําให้บาปเกิดด้วยแต่มันรู้ในหนังสือหมดเลยอ่ะในข้อแท้จริงมันละมันปล่อยมันอะไรไม่ได้เลยมันจะกันบาปไม่ได้เลยนี่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมมันอะไรเกิดขึ้นในวงการของเราเนี่ยต้องไปนั่งคิดกันแล้วว่ามันผิดพลาดที่ตําราหรือผิดพลาดที่ตัวเราเนี่ย ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ไปนั่งคิดใช่ไหมไปนั่งคิดให้อผิดพลาด ต, ตรงไหนไไผิดพลาด ต, ตรงมีอโยนิโสมนัสิการกับโยนิโสมนัสิการนี่แหละใช่ไหมถึงบอกว่าเราไม่ใช่คนดีที่ยังไม่ชั่วเพราะยังไม่ได้โอกาสยังไม่ได้โอกาสชั่วซึ่งมันน่ากลัวถ้าไปผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหม เนี่ยไอ้ ก, กรณีแบบเ น, เนี้ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นสมมุติอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอริยสงฆ์เลยอ่ะมันยังเป็นสมมุติอยู่เลยเนี่ยคำว่าสมมุติเนี่แปลว่าอะไรไ <c oughs> จะมาถ้าวันใดวันหนึ่งเป็นบรมัตธอสงฆ์ขึ้นมาเลยเป็นอริยสงฆ์อันนี้ใช่อันนี้ชาัดอันนี้ไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาแล้วแต่ตอนนี้ยังมีโอกาสตกต่ําเป็นธรรมดาถ้ารู้อย่างนี้แล้วควร ควรตั้งมนุสการไว้จะได้ไม่ประมาทถ้างั้นเดี๋ยวก็ตกพวดลงไปอีกก็เรียบร้อยบางทีเนี่ยลักษณะเนี้ยเวลาเราจะบอกจะกล่าวจะสอนคนอื่นด้วยมันคิดออกหมดเนี่ยอย่าลืมนะบางคนเนี่ยจมาแต่พอไปพอจะขัดกล่าวเข้าจริงๆเออเอาอะไรสิที่เนี้ยเริ่มยากเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วเนี่ ทุกในสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่น้อยมีการถูกกระหน่ำได้แทะแทงได้ปะตักทุบตีได้ท่อนไม้เป็นอันมากทุกอันนั้นเว้นซึ่งชาติในพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นจะพึงมีได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นชาติในพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทุกเนาะทุกของพวกเป็ดชนิดต่างๆมีความหิวกระหายเพราะลมและแดดเป็นต้นทุกนั้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ผู้เกิดในพวกเป็ดนั้นเมื่เหตุนั้นพระมุนีจึงตรัสว่าชาตินั้นจึงเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุของทุก อันหนึ่งทุกใดในพวกอสุรกายมีอยู่ในโรกันตันกนรกเนที่เย็นทนไม่ได้มืดตื้อหาความเกิดไม่พึงมีในโรการตันกนรกเพราะเหตุใดทุกนั้นก็ไม่พึงมีแก่สุรกายนั้นเพราะเหตุนั้นพระจอมมณีจึงตรัสว่าชาตินี้ชื่อว่าเป็นทุกเนะี่นะสตัตว์ผู้ในเกิดในครันของมารดาเป็นราวกับคูเหมือนกับคูฐานนรกนะ่ยนรกคูฐานนรกแปลว่าอะไร นรกในหลุมอุจจาระใช่ไหมการตกในนรกหลุมอุจจาระเนี่ยมันจะมีตัวหนอนเป็นตัวหนอนอย่างใหญ่ๆนะที่มันเกิดจากกรรมของท่านวนนั้นเองเนะ่ยโ ว, วิ่งกินวิ่งเจาะวิ่งชอนวิ่งชัยอย่างนั้นแหละเราเวลาอยู่ในท้องของแม่ก็อย่างนั้นแหละตกอยู่ในครูฐานานรกก็นั่งนัว่วนั่งทับหลุมอุจจาระอยู่อะ บนหัวก็กลายจะกลายเป็นอุจจาระอยู่แล้วไม่นานเนี่ยที่บนกบระเพาะอาหารใหม่นั่นแหละนั่งขดเยีมกระลิงอยู่ในพงไม้นั่นแหละแล้วลองคิดดูดิของร้อนตกไปในกระเพาะก็อย่างกับอืมลอาคิดดูใช่ไหมอย่างกับย่างในเตาเพลิงเลยว่างั้นเถอะแต่ของแสบของเจ็บไอ้ ก, กรณีที่ของเผ็ดของร้อนเนี่ยเมื่อกี้เวลาเรากินของร้อนกินอะไรเข้าไปก็ต้องคิดใช่ไหมกินของเย็นๆ เ, เข้าไปก็ต้องคิด ไอ้ตรงเนี้ยอาหารบางอย่างเด็กมีสิทธิ์บอกไหมว่าหนูแพ้อาหารนี้นะแม่ไม่ได้มีสิทธิ์บอกเลย